ก็คือนั่นก็เป็นสมบัติของผู้มีบุญเนี่ยนะอายุยืนผิวพรรณดีความมีสวดทรงงาก็สมบัติของผู้มีบุญเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ก็เป็นสมบัติของผู้มีบุญและก็ที่สำคัญต่อไปอีกว่าบุญกุศลคุณงามความดีที่กระทำไมแล้วเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยให้ได้ตรัสรูม้มรรคผลนิพพานแทงตลอดอริยสัจธรรม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 นามรูปดับสังขารดับวิญญาณดับสังขารแล้วก็ดับอวิชชาเพราะฉะนั้นธรรมะคือธรรมะที่ดับทุกธรรมะที่สงบทุกธรรมะที่สิ้นทุกขเหล่านั้นนะเป็นชื่อของพระนินพพานผัสผู้ที่สั่งสมบุญไว้ดีก็สามารถเจริญปัญญาเข้าถึงแทงตลอดธรรมะเป็นที่ทนทุกข์เหล่านั้นผัสบุญเหล่านั้นเนี่ยนะก็จะสามารถทําให้สําเร็จประโยชน์เจงจันปัญญาบอกว่าให้อนุโมทนากถา ที่พูดมาทั้งหมดก็จะได้อนุโมทนาว่าบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้ทำเนี่ยนะถ้าหาว่าเราทำแบบมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายเข้าใจเป้าหมายว่าเราทำนั้นนะคือต้องการอะไรเหมือนคนเดินทางที่มีเป้าหมายเหมือนว่าถ้าไปซื้อตั๋วรถจะเดินทางไกลก็มีเป้าหมายเขาก็จะออกตัวให้ถูกเหมือนก็เดินทางไปต่างประเทศเขาจะออกตัวให้ถูกว่าเราจะไปลงที่ไหน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 บุญเหล่านี้จะอํานวยประโยชน์อํานวยผลให้เราได้สมความปรารถนาให้เราทั้งหลายพ้นจากทุกข์เพราะผลแห่งการให้ใครเนอจะพัน น, นาอา น, นิสงฆ์แห่งการให้ทานได้ถ้าหากว่าบุคคลไม่เคยให้อย่างเช่นพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่เคยให้ทานมาจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมพระอริยาสาวกทั้งหลายถ้าท่านไม่เคยให้ทานมาท่านจะเป็นพระอริยะเจ้าได้ไหมสมบัติเหล่านั้นการบรรลุมรรคผลของพระอาริยะเจ้าเหล่านั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น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 ประสบแต่ความสุขและความเจริญบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลาย เ, เจริญงอกงามด้วยอริยทรัพย์ทั้งหลายเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยฮิริโอตปปะเจริญด้วยสุตะเจริญด้วยจารค่ะเจริญด้วยปัญญาขอพ่อโภาทรัพย์ทั้งหลายเป็นเหตุให้ได้สุขในโลกนี้อริยทรัพย์ทั้งหลายจะเป็นเหตุให้สุขในคำว่าสุขในสวรรค์หรือว่าสุขในพระนิพพานขอบุญกุศลเหล่านี้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 นำออกจากทุกข์นนะขอให้เราดำเนินเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาตามข้อปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำและก็ทำถึงที่สุดแห่งทุกข์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 นะขอบุญกุศลเหล่านี้ให้พวกเราทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคเวณภัยอันตรายประสบแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อเนี่ยนะ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 ทำงานไม่อากูลทำงานโดยปราศจากโทษนขอให้ทำงานไม่ติดข้องไม่ข้องขัดในอาชีพการงานทั้งหลายขอได้ให้มีโอกาสให้ทานได้ประพฤติกุศลกรรมประพฤติคณงามความดีทางกายทางวาจาและ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 นะเว้นจากการดื่มสุราและเมีรายแล้วก็อย่าได้ประมาทในชีวิตอย่าได้ประมาทในการงานอย่าได้ประมาทในทุกสิ่งทุกอย่างปราศอย่าได้ประมาทในความปราศจากทุกโศกเวรภัยนะอย่าได้ประมาทในกุศลธรรมอย่าได้ประมาทในการเจริญกุศลอย่าได้ประมาทในการละอกุศลธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้มีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความสันโดษดํารงมั่นอยู่ในความกตัญญูแล้วก็ ได้มีบุญได้สัง่งได้ฟังทำรรตลอดใจเนี่ยนะได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ดีแล้วเป็นคำสอนที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยนะขอบุญกุศลที่ได้ละรมแล้วนี้เป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายมีความอดทนมีอ่มีความเป็นผู้สอนง่ายเนี่ยนะแล้วก็เป็นผู้ได้พบเห็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย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 นินทาเนี่ยนะทั้งนินทาทั้งสรรเสริญให้มีจิตใจที่มั่นคงดำรงมั่นอยู่ในอารยะคุณทั้งหลายคืออธิศีนอธิ จ, จิตและอธิปัญญาปราศจากทุกโศกโรคเวรภัยอันตรายทั้งปวงเป็นผู้ที่มีจิตเกษมปลอดภัยขอมงคลทั้งหลายเหล่านี้จงเจริญแก่ท่านตลอดไปเนี่ยนะขอเทวดาช่วยปกปักรักษาด้วยพุทธานุภาพธรมานุภาพสังขานุภาพ ขอความสุขสวัสดีจงมีกจัจจายมทั้งหลายอย่างเช่นที่พระสวดชัยพชัยยมมงคลคาถาขอชัยยมมงคลชัยชนะโดยมงคลทั้ง38ที่เกิดขึ้นนะนะเพราะอ้างเอาชัยชนะของพระพุทธเจ้า8ประการแล้วก็อาอ้างเอาชัยชนะของพระพุทธเจ้าชนะที่โพธ่บลังเนะนะี่ยเพราะฉะนั้นขอบุญกุศลเหล่านี้ช่วยปกปักรักษาให้เราปราศจากทุก ตลอดป ร, อปราศจากทุกโศกโรคเวนภัยอันตรายประสบแต่ความสุขตลอดการทุกเมื่อเธอวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้อาสนาสิ่งที่ได้ตอบแทนนั้นก็คือคืออะไรคืออริยทรัพย์นะพันผู้ที่เข้ามาสแสวงหาอริยทรัพย์ในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเข้ามาสแสวงหาอย่างถูกต้องเรียกว่าเข้ามาถูกที่แล้วเพราะมาสแสวงหาอริยทรัพย์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 เราต้องกำหนดชัดเจนให้ดีนะว่ารายได้ของเราทั้งหลายผลตอบแทนของเราทั้งหลายที่เรามาศึกษาพระพุทธศาสนานั้นคืออริยทรัพย์อริยทรัพย์นั้นมีอยู่เจ็ประการทบทวนนะอริยทรัพย์คือศรัทธานะอริยทรัพย์คือศรัทธา 2. อริยทรัพย์คือศีลอริยทรัพย์คือหิริอริยทรัพย์คือโอตัปปะอริยทรัพย์คือสุตะ อริยทรัพย์คือจากคาและสุดท้ายอริยทรัพย์คือปัญญาพวกข้ทรัพย์ทั้งหลายเป็นทรัพย์ภายนอกบำรุงตาหูจมูกลิ้นร่างกายอริยทรัพย์นั้นบำรุงจิตใจนี่นะอริยทรัพย์นั้นบำรุงจิตใจพวกทรัพย์บำรุงตาให้เห็นสีที่น่าพอใจพวกทรัพย์บำรุงบำรุงให้หูได้ยินเสียงที่น่าพอใจบำรุงจมูกบำรุงลิน้นบำรุงโภทะพระสัมผัสทางร่างกาย ส่วนอริยทรัพย์นั้นบำรุงทางจิตใจเพราะั้นถามว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี่ถืออะไรเป็นหลักก็ถือเอาร่างกายกับเออจิตใจกับร่างกายในสังยุตตนิกายนิทานวักอัตกถากล่าวถึงว่าใจเนี่ยมาก่อนทีแรกแล้วก็แตกดับทำลายไปในครั้งสุดท้ายมาก่อนแต่ไปหลังคือหมายความว่า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 กายายๆส่วนเป็นสิ่งที่เกิดในภายหลังแต่ยามที่ตายนี่อะไรไปทีหลังใจนี่ไปทีหลังจุติจิตหรือว่าจิตแตกดับนี้ทีหลังร่างกาย ก, ายก็ค่อยๆสุดโทมไปเช่นตาก็ค่อยๆเสื่อมโทมไปหูก็ค่อยๆมีปัญหาในที่สุดก็เหลือในส่วนใจพอใจจุติเคลื่อนก็จากภพหนึ่งปฏิสนธิก็สืบเนื่องเกิดชาติต่อๆไป การเชื่อมโยงดันั้นการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายตัวที่เชื่อมโยงทำให้ไปสู่ที่ดีนนั้นคืออะไรนำไปก็คือโลกจิตเนี่ยพาไปถ้าจิตที่เป็นบุญก็พาไปสู่ที่ดีถ้าจิตเป็นบาปก็พาไปสู่ที่ไม่ดีพระองค์ตรัสเป็นบาลีว่าะนะจิตเตสังกิริเตะทุกคติปาติกังค้าจิตเตเนี่ยแปลว่าจิตทั้งหลาย น, นนะ สังกิลิเถแปล ว, ว่าเศร้ามองถ้าจิตทั้งหลายถึงความเศร้ามองทุกขติปาติกังขาทุกขติหวังได้ปรารถนาได้เลยส่วนเดียวว่าทุกขติแน่นอนคำว่าทุกขตินี้เป็นที่ไปที่ไม่ดีเป็นที่ที่ไปที่ไม่น่าปรารถนาคืออบายทุกขติวินิบาตนารกไปแล้วเดือดร้อนไปแล้วลำบากไปแล้วไปทุกไปยากไปตกรกรรมลาบากแน่นอน แต่พอมานี้ถึงมดตัวนี้เดียวจะหาน้ําดื่มยังหายากไม่ใช่ตัวใหญ่นะแต่ก็หาน้ําดื่มหายากเพราะว่ามดสร้างเขือ่อนะนะขุดบอ่อน้ําเป็นต้นไม่ได้เะนั้นมดทั้งหลายนี่ก็หาน้ําดื่มยากทั้นก็เลยเรียกว่าทุกขติเนี่ยนะอบายทุกขติวินิบาตนารกเป็นสถานที่ที่ไปไม่ดีอันนี้ที่จริงอะ่ะพูดเนี่ยไม่ได้ขู่เลยบางคนว่าโอ๊ยพระนี่มีแต่เทศขู่เอานารกมาอ้างเป็นต้นโยไม่เคยเห็นหมดเห็นปลวกห ร, ออรือยังไงอย่างเง้ยนะ ถ้าเคยเห็นเราถามว่าเราไปเกิดเป็นมดเป็นปลวกได้ไหมบอกได้ทําไมจะไม่ได้นะเดี๋ยวต่อไปจะเล่าเรื่องพระอินทร์ให้ฟังเล็กน้อยพระอินทร์เนี่ยนะมีมีอดีตอดีตชาติท่านมีเมียอยู่สี่คนคนพราหมณ์เนี่ยคนวันณะพราหมณ์เนี่ยคือเว้นแต่คนไทยอนะคนไทยมีเมียน้อยได้แต่ว่าปกปิดบ้างแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นเขามีเมียได้หลายคนเลยนะเรียกว่าโดยชอบทำทะเลาะกันบ้างก็อยู่กันไปเนี่ยนะ แต่ว่าเขาก็มีเมียอยู่สี่คนมีเมียอยู่คนหนึ่งชอบแต่งตัวมากที่สุดผัวชวนทําบุญยังไงก็ไม่สนใจเลยในที่สุดนางก็ไปตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรเป็นนกกระยางมั้งนั่นนกกระยางวันก่อนนั่งรถไปแล้วก็เห็นนกกระยางเยอะๆบอกเอออดีตลูกหลานานางสุชาดาบังนั้นะะอลูกหลานานางสุชาดาบังนั้นก็ว่าแสดงว่ามักกระว่าอะไรนะมักบํารุงแต่ร่างกายในที่สุดก็กลายไปเป็น นกจางแต่ว่าดีว่าได้ผัวดีผัวก็ยังตามไปช่วยเกื้อกูลในที่สุดก็กลายไปเป็นนางฟ้าเนี่ยนะกลายไปเป็นนางฟ้าเขาเรียกว่านางสุชาดาพระอินทมีชื่อหนึ่งว่าสุชัมบดีแปลว่าสามีของนางสุชาดาว่างั้นทีนี้แล้วก็มีมเหสีอีกองค์หนึ่งในชาดกกล่าวถึงมเหสีบางองค์ก็ไปเกิดเป็นน้อนอยู่ในขี้วัวเป็นต้นนั้นของเราเนี่ยถ้าเราไปเกิดเป็นสิ่งเหล่านั้นถามว่าเป็นไปได้ไหม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 โอยสวยจริงๆเลยต้นไม้ใบหญ้าโยมไปแวกดูเถอะแต่ละต้นเนี่ยเดราฉานเท่าไหร่พันหลายๆเรื่องเนี่ยนะถ้าใจเศร้ามองด้วยอกุศลทั้งหลายทุกขติหวังได้เนไหถามว่าอะไรพาไปพาไปเกิดในที่ตกต่ำนะจะว่าอะไรพาไปใจเราลั่นแหละพาไปไม่มีใครพาไปหรอกพันเมื่อจิตเศร้ามองทุกขติหวังได้อันบุคคลที่รักษาจิตนั่นแหละจึงพ้นจากทุกขังปวง รักษาจิตทําจิตให้ไม่เศร้ามองเนี่ยนะซึ่งรายละเอียดจะค่อยๆพูดต่อไปทีนี้ถ้าหากว่าจิตผ่องใสจิตเตอะสังกิริตเตสุขติปาติกังขาจิตเตอะสังกิริเตเนี่ยแปลว่าจิตไม่เศร้ามองเข้ามามองเห็นภาพชาัดเจนเขาบอกว่าจิตไม่อักเสบนะใครๆที่เคยแบบร่างกายอักเสบบ่อยๆเนี่ยนะ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 แต่ละอย่างที่พระองค์ได้รับล้วนแต่หน้าปรานาะน่าใครหน้าพอใจชวนให้รักพาใจให้ติดให้คล่องชวนให้เพลิดเพลินเป็นที่ลหลงไหลพระองค์เกิดมาแทบไม่ได้ยินคำว่าไม่ดีเลยได้ยินแต่คำเพราะเพราะทั้งหมดได้รับแต่คำแซ่สองสรรเสริญได้รับแต่คำยกย่องไปที่ไหนก็บอกส่งพระเจริญขอพระองค์จงชนะขอพระองค์ส่งพระเจริญพระองค์จะได้ยินแต่คาประเภทนี้ คำใดที่เรียกว่าคำดีๆทั้งหลายพระองค์ได้ยินมาตลอดแต่พระองค์เนี่ยความที่พระองค์สั่งสมอริยสัพย์มาดีพระองค์สั่งสมอริยสัพย์คือศรัทธาเป็นต้นมาเป็นอย่างดีในที่สุดพระองค์ก็กลับมาสแสวงหาอริยสัพย์อริยสัพย์นี่แหละที่จะช่วยให้พระพุทธเจ้าพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายะนะพระองค์ก็เลยมาสแสวงหาอริยรัพย์ในที่สุดพระองค์ก็สมบูรณ์ด้วยอริยสัพย์ ใครเคยได้ยินว่าข่าแต่พระองค์ผู้เป็นสักกะพระพุทธเจ้านี่มีชื่อหนึ่งว่าชักกะสักกะสักกะนี่แปลว่าพระพุทธเจ้าผู้มีทรัพย์มากอะอันนี้เราไม่พูดถึงโภกทรัพย์นะไม่เน้นถึงโภกขทรัพย์ดังที่กล่าวว่าถ้าพวกทรัพย์เป็นสิ่งที่ดีจริงทําไมพระองค์ต้องต้องออกจากโภกทรัพย์ทําไมพระองค์ต้องละพวกทรัพย์คือโภกทรัพย์มันเป็นอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่ละเขาเขาก็ากละเรามันมีอยู่สองอย่าง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 กฎเกณฑ์ของโลกนี้ในที่สุดโลกนี้จะต้องจากจะต้องจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปแ น, น่นอนถ้าจากเร็วขึ้นมีเวลาเจริญกุศลเพื่อเป็นสเสบียงทางเลนะเพื่อเป็นสเสบียงทางาะเราก็มาเจริญเราในฐานะผู้ที่ศึกษาพระธรรมเพื่อจะรับอริยสสาร พ, พระพุทธเจ้าเราก็มาศึกษาแนวทางที่ต่างของพระพุทธเจ้าทั้งหลายศึกษาพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย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 น be an ี่อริยรัพเนี่ยนะเราอริยรัพย์คือศรัทธาเนี่ยเราตรวจสอบได้อย่างไรว่าเจริญนะหรือตั้งคําถามว่าอริยรัพย์เราจะเจริญได้อย่างไรนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองแล้วอริยรัพย์ของเราคือศรัทธาเนี่ยนะเราฝากไว้ถูกที่ไหมล่ะนะถ้าเรามีสัพย์คือศรัทธาเราฝากศรัทธาของเราไว้ถูกที่ไหมอย่างพวกท้าศัพเนี่ยนะเราจะเอาไปฝากไว้ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยถือว่าเราเรา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 เพิ่มพูนบริบูรณ์ศรัทธามีคุณค่ามีราคาแม้ดีเหลือเกินอุ่นใจเหลือเกินนะบอกว่ารู้ได้ยังไง ร, รู้ได้รู้ได้จากอะไรบอกรู้ได้จากความเข้าใจที่สมมติถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราก็ถามว่าเราเข้าใจพระคุณของพระพุทธเจ้าแค่ไหนอย่างไรเมื่อกี้ได้ยินว่าเราหลายท่านสวดว่าอะไรแม้เพราะาก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าใช่ไหมเรากล่าวกันอย่างนั้นแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอระหันต์นะคำนี้นะเ ร, เราเราเลื่อมใสแค่ไหนคำหนึ่งนะอันนี้เป็นเครื่องวัดอริยทรัพย์เนะีวันนี้ขอเช็คอริยทรัพย์ไหนว่ารวยกันแค่ไหนแล้วนะเช็คอริยทรัพย์นะเนะีเพราะว่าจะปิดอบายได้หรือปิดไม่ได้จะบรรลุได้หรือบรรลุไม่ได้เนี่ยเช็คกันที่อะไรที่ศรัทธาเป็นต้นศรัทธานี้ถือเป็นเบื้องต้นเลยนะ อินทรีห้าขึ้นต้นด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาขึ้นต้นด้วยศรัทธาพระละห้าก็ขึ้นต้นด้วยศรัทธาศรัทธานี้นับเนื่องในโสตาปฏิยังข้าถามเรามาตรวจสอบศรัทธาดู น, นะก็อย่างว่านะถ้าพูดให้โยมบรรลุได้ก็จะพูดให้บรรลุนะนะั่นแะแต่ว่าอย่าลืมว่าบรรลุนะนะั้นอ่ะไม่ใช่ว่าลุแก่อำนาจโทสะนะไม่ใช่นะ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 อรหังหมายคำ ว, ว่าอย่างไงไกลจากกิเลสกําจัดฆาศึกคือกิเลหสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรไม่มีความลับในการทำบาปคู่ควรแก่ปัจจัยสี่เป็นคนดีจริงๆอย่างนั้นแทะไม่มีผู้ใดจะดียิ่งกว่าพระอารหันต์แล้วผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วอรหันต์นั้นไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า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 เจรณะพระองค์มีวิชาสามรู้อดีตรู้อนาคตรู้ทั้งอดีตและอนาคตที่สําคัญคือรู้อริยสัจพระองค์มีความประพฤติไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาเรียกว่าซีนตาหูจมูกลิ้นกายใจรักษาไม่ให้บาปไหลเข้ามาเรียกว่าอินทรี์สังวรพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตื่นตัวในการเจริญกุศลธรรมเรียกว่าชาคริยานุโยครู้ประมาณในการใช้ปัจจัยสี่เรียกว่าโพเชนมตันยุตา